ตาบัไม <unlucky> <AM T> ่เอาเราหลอนูกมาขวางกาเราเลยเห็นที่อืนเราขวางตาเราล้วไม่พูดเ็นเรื่องของเรา่เอเราตองพดมันโ้งรักวโรกทาไมสอนทาโรกทั่วประเทศไทยหรือว่ทําอย่ยอดแล้วกอืกกรินเลยเป็นรูปแบบคนประมาณนั้น วัดไม่นีแบบมีศักทิ์มีกฎมีเรื่อมีคเหมาะไม่เหมาะอู่ในเห็นแต่งมุขทำมุขมันจะมาร่วมร่างรวมร่างนะแต่นี่พวกเราแต่งกันอย่างไรก็ฟังกันว่าจะมีอะไรที่ อ, อุดมมากบบนะครับถ้าต้องพูดอะไรไม่อยากพูดอะไรไเหนื่อยหมดกำลังนะ <c oughs> พระไอ้พากันตั้งใจทุกองนะสถานที่นี้เป็นสถานที่ภาวนารวนๆไม่ใช่สถานที่เต๋อเรอร่อยๆคึกขนองนะและยิ่วันนี้เลนี้มีประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องมากมีทางเสียหายต่อข่าหนึ่งได้มากขึ้นโดยลําดับเราทำว่ตกวิจารณตรงนี้แล้มากก็เกี่ยวข้องกับประชาชนได้โยมจะมี เวลาใกล้ชิดติดพันให้เป็นความเสียหายจนได้นะ่ะอันนี้จุดนี้สำคัญมากเลยเดียร์พากนาันธรรมะระวังอยากคุ้นเกับไขนะทำไม่คุ้นเกับไข่ะความคุ้นเรื่องของชีวิตทั้งนั้นทำไม่เคยคุ้นกับผู้ใดต้องตั้งใจผู้ที่ปฏิบัติดูหัวใจตัวเองนั่นละค่าศึกเรายาวไปเข้าใจว่าอยู่ในโลกดินแดนใดอยู่ที่หัวใจของเราของท่านทุกคน เพรกิเลสอยู่ที่นั่นกิเลสนั่นแหละตัวสร้างฟืนสร้างไฟให้เผาไหม้หัวใจสัตว์โลกเราเป็นนักปฏิบัติควรที่จะทราบเรื่องกิเลสเหล่านี้ได้พอประมาณและได้เป็นอย่างดีโดยลแบบําดับเจนกระทั้งถีงสังหารมันออกจากหัวใจได้กลายเป็นอิทธิบุตรพุทโธขึ้นมาทั้งหลวงนั่นแหละท่านวโลกวีถูกรู้แจ้งโลกแจ้งขึ้นทิพย์ภาในใจิตใจ ขนาดที่กิเลสหลุดรอยไปนั้นเป็นใจดวงใหม่ขึ้นมาทันทีใจดวงที่เราเคยครองมีแต่กิเลสครอบไว้ครอบไวหนานแน่นหนานแน่นหนานแน่นต่อมาได้อาศัยการชำระสะสามเป็นลำดับไปแล้วนี่ก็ค่อยจางออกความมืดทั้งหลายที่ครอบอยู่ในหัวใจก็ค่อยจางออกจางออกจิตใจก็มีความสงบเย็นเข้าไปความสงบเย็นมากอะไรก็ส่องแสงสว่างออกมาให้เห็นเป็นลำดับ จากนั้นก็เห็นโทษในะความฟุ้งซ่านวุ่นวายซึ่งเคยเกลินเป็นบ้ากับมันม า, มานั้นเข้าไปโดยลําดับเห็นว่ามันเป็นโทษเพราะมีความสงบเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงกันแล้วก็มีความพอใจในการทําให้จิตสงบเพื่อแก้ความวุ่นวายเหล่านั้นไปโดยลําดับลํำดับนี่หละเรียก ว, ว่าจิตค่อยใสก็จาดแจ้งขึ้นไป ด้วยสมาธิประเภทหนึ่งเป็นความสว่างประเภทหนึ่งในขั้นสมาธิแต่นั้นก็ก้าวถึงด้านปัญญาคิดอ่านแต่จองตั้งเรื่องธาตุเรื่องขันเฉพาะอยู่ยี่งอย่างยิ่งอจุปาอชุพังนี่เป็นเรือนลังของกิเลสที่ตัวรักตัวโมวนตัวติดตัวพันกันทั้งโลกดินแดนไม่มีใครผ่านไปได้เลยคืตัวนี้หละเราพิจารณาร่างกายนี่เป็นเรื่องใหญ่โตมาก ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนข้าว่าเกสาโรมานขาตันตาแต่โจนั่นคือเครื่องมือสังหารวัตจิตวัตจักรให้ออกจากจิตใจของเราด้วยการพิจารณาร่างกายนี้เป็นฐานสำคัญมากของกิเลสกิราคาตันหาอยู่ที่ตรงนี้ความรุนแรงมากที่สุดไม่มีอะไรเกินราคาตันหาการมกิเลสนี้รุนแรงมาก เวลาพิจารณาร่างกายเข้าไปนี้จะเป็นเครื่องแก้กันไปเร น, น่อยๆความสำคัญมั่นหมายหลงหลงแรงแรงนั้นเป็นเรื่องของเกลื่อนเกล็ดสันบ้านหยอกขึ้นมาว่าเป็นของสวยของงามของกีรังถาวรของสะอาดสะอานความจริงมันมีแต่ของสปกปรกเต็มเนื้อเต็มตัวของเราของท่านทุกคน แล้วยิเรศมันเสศสังปัญญยอโลุมแรงๆพวกเรายัางหลงเน้นในกลนของยิเรศเก่งไมมันปั้นขึ้นมาเฉยไม่มีความจริงความจริงก็คือกองอาชุพะเต็มเนื้อเต็มตัวของเราของท่านทุกคนไม่เว้นแต่าภายนอกภายนอกก็ยังโมดที้เหงื่อขี้ใครนั่นะมันมีขี้เต็มตัวแต่ยิเรศมันก่อบให้ได้หมดนี่กัน จึงสอนให้พิจา ร, ารณาเจสาโรมานาคาตนตาแต่ตัวเพื่อเปิดดูสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามหลักความเป็นจริงซึ่งไม่ต้องเสกสรรความเป็นจริงว่าความโสโค ร, รกมันก็โสโป ร, รกจริงๆหมดทั้งเนื้อทั้งตัวมีแต่ความสโป ร, รกของเราของท่านด้วยกันมาพูดที่เรื่องอะโสโค ร, รกแล้วหมดตัวเลยไม่มีข้อยกเว้นในตัวของเราแต่ที่เรีนมันก็ เศษสันปั้นจยอขึ้นสวมรอยขึ้นมาว่าเป็นของสวยของงามไปหมดนั่นคือพิจนาที่เราโง่ไหมพวกเราต้องเราทําอันนี้เขาไปจับไปทําลายพิจาราโรมานขาสันตาต่โจครอบไปหมดในร่างกายของเราถลกหนังออกแล้วดูกันได้เมื่อไหรยคนเราไม่มีคำว่าหญิงว่าตายหน้ากำหนัดยินดีหายไปหมดเนี่ยถึงขั้นตะโจยิงพิจนาเขาไปภายใน เท่าไรลึกเข้าไปเท่าไรยิ่งกระจ่างแจ้งขึ้นโดยความจริงทั้งหลายที่มีอยู่เต็มเนื้อเต็มตัวของเราเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายผลก็ธรรมะคือความจริงนี้จะแทรกความจำปลอมขับไร่ความจำปลอมออกไปเรื่อย ๆ, ๆความสวยความงามก็ค่อยหมดลทธิ์หมดอํานาจเข้าไปความไม่สวยไม่งามก็มีอํานาจแทนที่เข้าไปเหยียบย่ําเข้าไปจนกระทั่งเห็นชัดเจนเห็นโทษของร่างกายประจัก อุปทานความยืดมั่นถือมั่นกระถอนตัวเข้ามาในขณะขณะที่เราเห็นร่างกายตามลำดับลำดานั่นแหละจนกระทั่งเห็นร่างกายทุกสัดส่วนด้วยความเป็นของปฏิพูลโสโครหาความสวยงามไม่ได้แล้วจิตมันก็จะไปเกาะที่ตรงไหนมันก็ต้องอยู่กับความจริงความจริงคือสิ่งเหลนี้หาความโสกบกโอหาความสวยงามไม่ได้เป็นไปได้ความโสกบกโสมมด้วยกันทั้งนั้น จิตมันก็ต้องอยู่กับความเบื่อหน่ายอยู่กับความเห็นโทษของร่างกายซึ่งเคยเส็จสันต์บัรญัมานานโดยหลักธรรมชาติของจิตเรศเป็นผู้พาให้เป็นเองเมื่อพิจารณาหลายครั้งแล้ผลร้ายตลกทบทวนจนรุ่แจ้งเห็นจริงประจากอุทานไม่ต้องบอกมันถอนตัวขึ้นมาทันทีจรจนกระทั่งถอนได้แล้วเรื่องการมากิเลสการมาราคานี้ก็หมดปัญหาไปในขณะดที่พิจารณาร่างกายรอบและถอน ใจออกจากร่างกายได้แล้วนั่นแหละที่ภาระความกดท่วงความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายที่เต็มอยู่ในกามรมาลาคานี้มันจะถอนตัวออกไปด้วยกันหมดหิวใจก็ลงวางเราได้ขั้นหนึ่งซึ่งเป็นขั้นสำคัญมากได้แก่การมาที่เหลนนี้ถอนยากนะนิจรายากมากในภาคพิบัติแล้วสาหรับผมเองไม่มีอะไรเกินยิ่งกว่ากามรมาาคะ อันนี้เป็นตัวรุนแรงเป็นตัวผ่าต้นโจรทยานมากต้องใช้ปัญญาแบบผ่าต้นโจรทยานเหมือนภูน้ําไหลโจนลงจากภูเขาสันั่นวันไหวเนะ่ะสติปัญญาขั้นนี้เป็นเองเพราะกิเลสขั้นนี้เป็นขั้นที่รุนแรงเป็นขั้นที่เด็ดขาดมากสติปัญญาต้องใช้ด้วยความเด็ดขาดผ่าต้นโจรทยานเหมือนกันเมื่อมันรู้เท่าทานของมันแล้วอันนี้มันปล่อยเองเมื่อปล่อยแล้ว สติปัญญาเครื่องฟัดเครื่องแก้ไขซึ่งกันและกันนั้นก็จะหมดปัญหาไปตามๆกันต่างๆกันจิตใจก็หมดความกดถ่วงเกีย่ยวกับเรื่องราคะปัญหานี่กดถ่วงมากนะท่วงอย่างลึกๆเอะมันจะยิบแยบยิบแยออกมาที่หัวใจนะั้นละก่อนอื่นก่อนอื่นทั้งๆที่เราตั้งใจจะฆ่ามันอยู่อย่างเต็มอกเต็มใจมันยังมาเตะมาขี่มายัน มาเตะลงเตะแรงฉากหน้าฉากหลังเราคู่พิจารณามันจะฆ่ามาอยู่นั่นแหละมันที่เรียกว่าหน้าโมโหมันใช่เลยเพราะเราไม่ได้ยินดีกับมันแต่มันก็ยังมาแสดงให้เรายินดีให้เราติดพันหนุ่มมันจนได้เพราะฉะนั้นมันจึงโมโหนะหรือเมื่อแก่อันนี้ลงได้แล้วมันก็หมดปัญหาภาระอันหนักน่วงชงจิตใจที่สุดเผื่อนนี่เบาหวีวุ่นเลยหอด เพราะฉะนั้นพระนาคามีท่านจึงไม่กลับมาเกิดเพราะมันมีสิ่งกดท่วงไม่มีสิ่งดึงดูดใจก็เบาอยู่ไปเลยเป็นอัตโนมัติของใจดวงนั้นขึ้นจากค่อยคืบคลานตัวเองชำระตัวเองไปเรื่อยๆถ้ายิ่งมีความภาคเพียรมีชีวิตอยู่นี่ก็ยิ่งเร่งรวดเร็วเข้าไปหากว่าซิ่งชีวิตไปเสียแล้วทั้งที่ยังไม่ถึงที่สุดเป็หไม้ปลายทางหลับธรรมชาติท้องจิตที่เรียต้นวัตดนี้ก็จะหมุนตัวไปโดยลําพังตัวเองแต่ช้า เป็ไปจนถึงที่สุดที่มุดพอนิพานโดยว่ต้องกลับมาเกิดอยู่แล้วเมื่อถึงขั้นอนาคารตั้งแต่ระดับต้นถ้าสอบเขาเรียกว่าเลยห้าสิบเปร์เซนขึ้นไปแล้วก็หกสิเปอร์เซ็นตเจ็ดสิบปเซตับซักฟอกตัวเองไปโดยลําดับับฝึกซ้อมตัวเองไปโดยลําดับจนกระทั่งเข้าขั้นละเอียดละเอียดรู้เองในหัวใจไม่ต้องไปถามผู้ใดเลยเพราะทำของจริงมีอยู่กับทุกคนจะไปถามหาใครที่ไหนในระว่างกระจ่างแจ้งไปโดยลาดับ นี่แหละกิเลสตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทําความทุกข์ความเดือดร้อนให้เรามากที่สุดในวงความเพียนของเราต้องรอบกับตัวนี้ให้หนักไม่รบกับตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้กดถัวมากที่สุดเลยเวลาพิจารารอบมันหมดแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะมันคือตัวสัญญาอารมณ์ที่ออกไปจากกิเลสผักดันออกไปแล้วให้มันไปหมาย มั่นปั้นมือกับสิ่งนั้นสีนีมาลูกนั้นสวยลูกนี้งามเสียงนั้นสวยกลิ่งนั้นหอมมันว่าของมันไปหมดเมื่อไห่นั่ะเห็นไหมมันดันออกไปดันออกไปมีแต่ตัวสิเลตตัวนี้แหละมันขลักดันออกไปเปิดสรรพันธ์เาของปลอมทั้งหลายนั้นให้เป็นของจริงตามตัวประจำตามสิเลตไปหมดเลยแล้วก็เลยปลอมประจามันตลอมไปแล้พอพิจารณ์อันนี้ชัดเจนแล้วมันก็ไม่มีอะไรมารู้ตัวเหตตัว การสําคัญของวันที่มันไปวาดภาพหลอกเรานั้นท่านในจิตใจแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาทันทีลอยไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือจิตใจก็ระหว่างจ้าไปยะในขั้นนี้ก็สว่างแอ้ดังนั้นก็เป็นการเริ่มจงเป็นตัวนรักแล้วแหละเจติปัญญาหมุนตัวไปเองความเพียรไม่ต้องบอกเรียกได้แต่ว่าความเพียรกล้าในจิตใจถูถ่ายกันไปเหมือนอย่างแต่ก่อน ทังรักทั้งถูประกอบไม่มีขั้นกลามรรคเดชเป็นขั้นสําคัญมากเ <c oughs> มื่อขั้นกลางมรรคเดชนี้มันฟัดมันเบี่ยงไปเต็มที่แล้วมันก็หมุนไปจากนี่แหละเรื่องต้นของติปัญญาอัตโนมัติมันจะหมุนประจังละกาลมาหลากะจากนั้นก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนเป็นธรรมจักรภายในหัวใจหมุนไปด้วยลําพังตนเองไม่ต้องมีอะไรมากเก มาบิดมาบังคับให้เป็นความพาควมเพียรอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีนอกจากว่าความเพียรก็ว่าความเพียรกล้าความเพียรเพื่อพ้นจากทุกข์นี้กล้าว่างั้นถูกได้ถูกต้องเนี่เป็นอัตโนมัติทําเมื่อถึงขั้นเป็นอัตโนมัติของตัว้องตัวแล้วก็เหมือนกับกิเลสมันผันหัวใจสัตว์ด้วยอัตโนมัติของมันมนี่แหละ นีหยาดพันหยาิมีกลางพันกลางมีรละเอียดพันละเอียดมันพันอยู่ในหัวใจของเราเป็นวัฏจักรวัฏจิตโดยถึงนวัตของตนเพราะฉะนั้นใจใจไม่มีคราขำข้าวชี้เรืก็จึงไม่มีคลาขำข้าเหมือนกันเพราะมันติดอยู่กับใจอเมื่อชําระกันออกชําระกันออกไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งเห็นชัดเข้าไปโดยลำดับในแจ้งที่พายในจิตใจของเราแต่นั้นมันก็หมุน เมื่อร่างกายมันหมดความหมายมันก็รู้เองนะท mm hmm. ั้งท่านผู่พิจารณากันหมุนติ้วติ้วเหมือนฟ้าดินถล่มการพิจารณาราคาปัญหาด้วยการพิจารณารูปทั้งหลายในภายในกายของเราอาการทั้งหลายเมื่อมันพอตัวของมันแล้วเอเรื่องการพิจารณาร่างกายมันก็หมดปัญหาเพราะมันอิ่มพอทอนได้แล้วเนี่ยมันก็หมุนเข้าสู่นามธรรมในหลักธรรชาติของตนนี่แหละทำเมื่อได้เข้าถึงขั้นอัตโนมัติแล้ว มันก็เหมือนการจุติเทธิเป็นอตโนมัติหมุหนหัวใจของจับให้เป็นวัตจักรตลอดไปนั่นแหละทำก็เป็นอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นเป็นอัตโนมัติเป็นธรรมจักรแล้วเป็นไปเองฤทธิ์หมุนตัวเพื่อวัตจักรโดยอตโนมัติชั้นใดทำก็หมุนตัวเพื่อมีวัตจกักรชั้นนั้นเหมือนกันไม่มีผิดแปลกแปล ก, การนันแม่นิดหนึ่งเรียกว่าเหมือนกันร้อยปอร์เซ็นเมื่อถึงขั้นจะหมุนกลับแล้วอยู่ยังไงก็หมุนกลับ เป็นธรรมจักรตลอดเวลานี่ขั้นเรียกว่าสติปัญญาโนมมัดแต่นั้นก็กล้าเข้าสู่มาหาสติมาหาปัญญาหาไปเรื่อยกันนั่นแหละเริ่มไปตั้งแต่ปัิปัญญาสโสมมัดอ่ะเห็นมันจะไม่ควมม่วยเฉยแหละมันถึงขั้นนี้แล้วมันจะหมุนตัวไปเองหมุนตัวไปเองอยู่ที่ไหนเป็นอย่างนั้น <c oughs> ไม่มีคำว่าชะละ ก, กับเยียมมีแต่ล้งเอาไว้ร้างเอาไว้นี่ถึงขั้นมันเห็นโทษที่เละเห็นขนาดนั้นและเฮ้ยนี่คุณค่าแห่งความหยุดพ้น จากธรรมก็เห็นอย่างเดียวกันเมื่อทั้งสองอย่างนี้หมุนก็สูงว่าใจทั้งความเห็นโทษและความเห็นคุณในใจยงเดียวกันแล้วมันดีดเองอยู่ไม่ได้ต้องเอาให้หลุดให้พ้อนอย่างเดียวตายก็ตายไม่มีอะไรเสียดายเลยในโลกนี้ขอความหลุดพ้อนอย่างเดียวกันนั้นหมุนตัวเองนี่เรียกว่าธรรมจักเป็นอัตโนมัติของตัวเวองถึงข้าที่มีกําลังกล้าแล้วแก้ที่เหลืตัวยลำพังตัว เ, งเองเหมือนกัน กรรมวิเลษมันผูกมัดเราด้วยลำบางใจเองอัตโนมัติของมันเช่นนี้มันอย่างนั้นกันว่าขอให้ทุกๆท่านตั้งหน้าตั้งตาพุทธปฏิบัติกํามจากวิเลษเอาริงเอาจังจะมาละหล่อแหล่ไหมประธานที่เประธานที่อารมณ์ภาวนามาประจําเพราะเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นกับครูบาอาจารย์ท่านก็เคยพาดําเ น, นินมาอย่างนั้นอยู่แล้ว <c oughs> ไม่มีงานอื่นในนั้นแล้วนั้นเป็นงานตังสมวิเศษส่างสมอารมณ์เข้าสู่ใจอันเป็นเรื่องของวิเศษรุ่นรัว งานนั่นงานงานีน้ยุ่งไปหมดคือดูหัวใจไม่ได้ถ้าดูเข้าไปหัวใจนั้นถูกทีเลมันตยออหงายออกมางหงายออกมายิ่งไม่กล้าจะมองดูใจของตัวเองแล้วก็ไปรูปคำนั้นพอแก้ลำคามไปเยอะคำนั้นคำนี้สร้างนั้นสร้างนี้ยุ่งกับสิ่งนั้นยุ่งกับสิ่งนี้ให้ทีเหลมังจูงข้าไปอย่างนั้นถ้ามองเข้าไปข้างในมองเข้าไปไม่ได้กิเลสไตยออ งายออกมางายออมานี่แหละผู้ภาวนาทั้งหลายแมค่อยสนใจกับด้านจิตกภาวนาแต่ไปต้นใจกับการก่อการสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายก็เพราะเหตุนี่ไม่ใช่อะไรนะถ้าจิตมันในหมุนเข้าสู่ทางด้านภาวนาแล้วอะไรมันก็ไม่ถอยเรื่องการงานอะไรทายนอกมายุ่งไม่ได้มีแต่กิเลกกับทาฟัดกันเท่านั้นแหละท่ น, นแก้ได้อย่างมุ่แก้กิเลสแกได้ไม่สงสัยอริยสัจอริยธรรมเหล่านี้เป็นธรรมแก้กิเลสทั้งนั้น เอาให้หมุดมอดแต่ได้พระพุทธเจ้าทุกๆุกโองค์สาวกทุกทุกโองทุกทุกโอ่งุดขึ้นจากตรงนี้จากทั้กลางอยายะสัตว์คือทุกตะมุทยัยมีโรกมากนี้ทั้งนั้นมันมีเว้นแต่พระองค์เดียวผุดขึ้นที่นี่อยายสัตว์เวลานี้มีอยู่กับเราแต่ไฟไหนมากกว่าได้น้อยต่างกันเพียงเท่านั้นเช่นเวลานี้สติปัญญาของเรายังอ่อนแล้วทุกตะมุทัยนั้นก็มีอํานาจมากเมื่อ มรรคของเรามีกําลังกล้าขึ้นไปเท่าไหร่ความดับทุกข์ก็ดับลงไปโดยลาดับลำดับทุกตะมุทัยก็มีน้อยลงน้อยลงดับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแล้วผ่านขึ้นไปในท่ากลางแห่งยศาสทั้งสี่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นที่ตรงนี้เป็นท้ารหันหลานขึ้นที่ตรงนี้เป็นพระโพชุดเดจ้าพุทธเจ้าขึ้นที่ตรงนี้ไม่มี พระุธเจ้าแล้วสาวกองค์ใลอดพระบุเขิดพระพุทจาจะแหวกแนวจากอาญาสัตว์ที่ไปจัดรูปขึ้นโดยลำพังตัวเองไม่อย่างนี้ไม่มีแม้รายเดียวก็มีเพราะฉะนั้นอาญาสัตว์จึงเป็นศัตว์จะทำอย่างอื่นเป็นแก่นของศาสนาพุทธศาสนาพุทธทุกสุภองค์จัดทะลุขึ้นจากอาญาสัตว์ที่ทั้งนั้นจึงเป็นศาสนาคู่โลกคู่สงสานคู่บ้านคู่เมืองพากันตั้งอกตั้งใจบุกขึ้นปฏิบัตินะ อยู่ได้กันอย่านำทิฏฐิมานะแข่งดิแงดีแข่งดีอันเป็นเรื่องของกิเลสมาตรีตลาดนะมากกระทบกระเทือนเพื่อกานานิยาบโลนที่สุด น, นะพระปฏิบัติเราให้ดูตัวเองความเคลื่อนไหวของจิตมันออกไปในแง่ใดคิดเป็นโทษเป็นกรรมผู้ใดนั่นแหละคือตัวกิเลตออกแล้วจากหัวใจของเราและวเผาใจเราแล้วสิว่งไปเผาก็ดื่นให้รับความประทมกระทบกระเทือนเดือดร้อนไปตามให้ดูจุดนี้เราจะไปดูที่ไหนนะดูกิเดูที่ความเคลื่อนไหวที่มันเกิดขึ้นจากใจนี่ มันจะคิดเรื่องนั่นตรงเรื่องนี้อดูจุดนี้ฆ่ากิเลสก็ฆ่าจุดนี้กิเลสอยู่ที่จุดนี้จุดเดียวมากผลนิพพานอยู่ที่จุดนี้ฆ่าก่เลสแล้วไม่ต้องถามหาว่าคนนิพพานเป็นขึ้นมาเองเอวันนี้พูดเพียงคนนี้แหละขอหยุดติดเพียงคนนี้ต่อไปนี้การาบเลยอะผมเหนื่อยมากคุณมากกราบขุนเล่นร้อยวันนี้นเป็นปัญญาเหนื่อยมากแล้วเอามา พูดไม่กี่นาทีวันี่ยจัดเอาละไปนะฮัลโอลไปมาแียว